มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคสัตตานังมัจจุโนภายนะปัญหาที่สามถามว่าเดิมตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวตายทั้งสิน้นเหตุไรภายหลังตรัสว่าพระอรหันต์ไม่กลัวตายเล่าพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาฆเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเอตังวัจนังอันวักคำนี้พระควตาอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงบุญยราศีผู้มีพระรัศมีแผ่ไปทั้งสามภพ มีพระพุทธดีกาปรารบโปรดประทานไว้ว่าสัพเพสตาอันว่าสัพพสัตทั้งปวงนั้นตะสันติย่อมสะดุ้งตกใจกลัวภัยแต่อายาพายันติหนึ่งกลัวภัยแต่พระยามัจจุราชตรัสเป็นคําขาดชนี้แล้วสมเด็จพระบรมโล ก, กนาณดังรือภายหลังกลับประพาสเล่าว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย เมื่ออันตรายจะมีมาถึงตัวจะได้สะดุ้งกลัวหาไม่ได้ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญพระอระหันย่อมสะดุ้งกลัวแต่อาญาและภัยหรืออันหนึ่งถึงว่าสัตว์นรกที่เพลิงไหม้อยู่ไม่ได้ขาดนั้นจะสะดุ้งตกใจกลัวภัยแต่พระยามัจจุราช ด, ด้วยหรือเมื่อโยมพินิษพิเคราะห์ไปถ้อยคาทั้งสองนี้บางทีว่าสัตว์ทั้งหลาย สะดุ้งกลัวอันตรายกลัวภัยความตายนั้นก็มีบางทีว่าพระอระหันไม่สะดุ้งกลัวอันตรายไม่กลัวความตายก็มีถ้อยคำทั้งสองที่ว่ามานี้ยังแข่งแย่งกันอยู่ไม่รู้ที่จะถือเอาข้างไหนให้เห็นชอบและผิดบำรุงจิตเป็นสัจจังอายังปันโโหปัญหานี้เป็นอุพโตโกติสองเงื่อนฟั่นเฟือนหนักหนา พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดวิสัชนาดับเสียซึ่งวิมติกังขาความสงสัยของโยมช่วยทำลายล้างคำประรับประวาททั้งหลายอันจะมีไปภายหน้าในการบัดนี้พระนาคเษนผู้ประเรสริฐสงองค์อารหันจึงแก้ปัญหาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคำที่ว่าสัตว์ทั้งหลายบังเกิดมาสะดุ้งกลัวอาญากลัวภัยม จ, จุราชนี้ สมเด็จบรมโล ก, ก น, นาตมุนีจะได้ตรัสหมายพระอรหันต์ทั้งหลายที่ขาดจากกิเลสหาไม่ได้หมายเอาแต่สัตว์ที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นพระอรหันต์ทั้งหลายตัดเสียซึ่งคติอันเป็นโลกีและตัดเสียซึ่งปฏิสนธิมิได้เกิดในภพทั้งสามเป็นอันขาดโดยวิเศษตัดเสียซึ่งเหตุผลคือจะได้มีโลกีกุศลและอกุศลในสันดานหาไม่ได้ กำจัดเสียซึ่งอวิชชาเอาปัญญาเผาเสียซึ่งสัพพากิเลตโลกธรรมสำเร็จเป็นอันดีแล้วมิได้มีปริพภ o t ผูกพันตัดสมาเหตุดังนั้นพระอระหันต์เจ้าทั้งหลายจึงไม่สะดุ้งกลัวอันตรายและกลัวภัยความตายอันจะมีมามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดอมาทั้งสี่ อนุรัตตาเป็นที่โปรดปรานพอพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์วิษาสิกาตั้งจิตสมัครรักใคร่คุ้นเคยสนิทชิดเฉยหนักหนาสมเด็จบรมกษัตราทีธิราชก็ตั้งไว้ในที่จตุสดมทั้งสี่พระราชทานซึ่งเบี้ยววัดและผ้าปีและบ้านสวยให้บริโภคใช้สอยภายหลังครั้นมีราชกิจเกิดขึ้นพระมหากษัตริย์ มีรับสั่งประกาศให้ทราบทั่วกันว่าบรรดาชนซึ่งอยู่ในรัชสีมาอาณาเขตนี้จงกระทาภลีกรรมเสียสวยเป็นเงินข้าราชการให้อมาต์ทั้งสี่คนนั้นเป็นพนักงานจัดการให้สาเร็จเก็บสวยให้ได้จงทั่วทุกคนดังนี้ความสะดุ้งกลัวแต่ภลีเพิ่งเกิดมีแก่อมาต์ทั้งสี่นั้นด้วยหรือบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิบาลมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าอามาตย์ทั้งสี่คนนั้นจะได้สะดุ้งตกใจกลัวหาไม่ได้พระนาคเกษจริงซักไซว่าเหตุใดเล่าจริงไม่กลัวณนะบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าด้วยเหตุสมเด็จพระมหากษัตริย์ราช ตั้งอมาตผู้ใหญ่ทั้งสี่นั้นไว้ในฐานันดรตำแหน่งยศศักดิ์อันสูงและสั่งเสียให้อมาตทั้งสี่นั้นเป็นเจ้าพนักงานจัดการเก็บสวยเช่นนี้อมาตทั้งสี่นั้นจะต้องกลัวอะไรพระนาคเษดจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชคขอถวายพระพรอนบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอมาตทั้งสี่มิได้สะดุ้งกลัวแต่ราชพลี ด้วยเหตุอันใดเล่าขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปิ่นนเรนทร์จึงมีพระราชองค์การตรัสตอบว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ยานปรีชาอมาตะทั้งสี่นั้นสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันสูงสุดล่วงพ้นความที่จะต้องเสียผลีไปแล้วซึ่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์ประกาศเป่าร้องให้เสียผลีนั้น จะมุ่งหมายมาหาอมาตทั้งสี่นั้นด้วยก็เป็นอันว่าหามิได้พระองค์ทรงหมายแต่มาหาชนฆ่าแผ่นดินเหล่าอื่นต่างหากด้วยเหตุนี้อมาตทั้งสี่นั้นจึงไม่ต้องกลัวแต่พลีพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐมาหาอมาตทั้งสี่นั้นล่วงพ้นความที่จะต้องเสียพลีไปแล้ว และสมเด็จบรมกษัตริย์ไม่ทรงประกาศด้วยไม่ทรงมุ่งหมายจะเก็บผลีจากมหาอมาตย์ทั้งสี่นั้นมีพระราชประสงค์แต่จะเก็บจากมหาชนอื่นๆเท่านั้นอันนี้มีครุวนาฉันใดเอวเมวโขสมเด็จพระบรมไตรยโลกกนาศาสดาจารย์ประธานพระพุทธดีกาวว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งแต่อาญากลัวแต่มัจจุราชดังนี้ มิได้หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายหมายแต่ปุถุชนที่ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสมีทิฏฐิติดอยู่ในสันดานมีอุปมาฉันนั้นเพราะเหตุว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้สละเพิกถอนความกลัวได้ขาดเด็ดเสร็จสิ้นแล้วขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าคาทั้งสองไม่ต้องกัน คำหนึ่งเป็นสาวเะเสสะมีคำมิได้ขาดให้เศษเหลืออยู่คำหนึ่งเป็นนิราวเะเสสะคือเป็นคำขาดทีเดียวมิให้เหลือเศษคำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าพ่อรผันชักเหตุมาเปรียบให้เห็นแจ้งออกไปในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรอนบ่อพิษพระราชสมภาร เรียบดุดดังในบ้านได้บังคับบัญชาการลูกบ้านตั้งโกรธจัดใช้อนาปะกะบุรุษคือบุรุษสําหรับที่จะใช้ไปเป่าร้องลูกบ้านและนายบ้านเรียกบุรุษนั้นเข้ามาแล้วก็สั่งว่าโพดูกระทะท่านผู้เจริญเจ้าจงเดินไปเป่าร้องลูกบ้านให้มาพร้อมกันฝ่ายว่าบุรุษนั้นรับถ้อยคําในบ้านแล้วก็รีบเร็วมาถึงกึ่งกลางบ้าน แล้วร้องเป่าว่าชาวเราเอ่ยนายบ้านให้หาตัวไปพร้อมกันโดยเร็วพลันอย่าได้ช้าส่วนว่าชาวบ้านทั้งหลายนั้นประมาณโกดหนึ่งตุริตะตุริตาก็ขมีขมันมาประชุมกันแต่บรรดาผู้ที่อยู่ในบ้านส่วนบุรุษที่ใช้การไปนั้นก็กลับมาบอกแกนายบ้านว่าบัดนี้ชาวบ้านมาพร้อมกันแล้ว ถ้าจะกระทำการสิ่งไรก็จงกระทำเถิดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐนายบ้านให้ชนในบ้านทั้งปวงประชุมกันจะได้สั่งให้งดเว้นคนใดหาไม่ได้สุดแต่ว่าอยู่ในบ้านนั้นก็สั่งให้มาประชุมทั้งสิน้นแต่ชาวบ้านจะมาประชุมจนหมดสิ้นหาไม่ได้มาประชุมแต่ประมาณโกดคนเท่านั้น นายบ้านก็ยอมรับว่าลูกบ้านของตนเท่านั้นเองคนทั้งหลายเหล่าอื่นที่ไปนอกบ้านมิได้มาประชุมเป็นอันมากอิทีวาเป็นสตรีก็ดีปุริโสวาเป็นบุรุษก็ดีทาโสวาเป็นทาสก็ดีพัตติโกวาเป็นลูกจ้างก็ดีอัทโทวาเป็นคนมั่งมีก็ดีและสัตว์ทั้งหลายเช่นลาแพะ ช้างโคกระบือเป็นต้นอนาคตาอันมิได้มาสู่ที่ประชุมนั้นจะได้นับเข้าในสันิบานนั้นหาไม่ได้คำที่บุรุษนักการแจ้งแก่นายบ้านว่าชาวบ้านที่สั่งให้มาประชุมกันนั้นบัดนี้มาประชุมพร้อมแล้วดังนี้หมายแต่บุรุษที่มาประชุมโกดหนึ่งเท่านั้นจะได้หมายถึงผู้ที่มีธุระไป ไม่ได้มาประชุมด้วยหาไม่ได้ยะถามีคฤหนาฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโลกกานาตรัสประพาทว่าสัตว์ทั้งหลายจะสะดุ้งแต่อาญากลัวมัจจุราชนั้นก็ปรารบเอาแต่สัตว์ที่มีกิเลสเท่านั้นจะได้หมายถึงพระอรหันต์ด้วยหาไม่ได้มีอุปมาฉันนั้นนี่แหละบพิษพระราชาสมภารพึงสันนิฐานเข้าพระทัยเธอ อันพระพุทธวจนะนี้ลึกล้ำคำเพียรภาพยากที่จะสอดส่องปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเห็นแน่ตามกระแสพระพุทธฎีกาคำแสดงสัตว์มีส่วนเหลืออัดแสดงสัตว์มีส่วนเหลือก็มีคำแสดงสัตว์มีส่วนเหลืออัดแสดงสัตว์ไม่มีส่วนเหลือก็มีคำแสดงสัตว์ไม่มีส่วนเหลืออัดแสดงสัตว์มีส่วนเหลือ<ท cierto> คำแสดงสัตว์ไม่มีส่วนเหลืออัดแสดงสัตว์ไม่มีส่วนเหลือก็มีเนื้อความบัณฑิตควรรู้ด้วยเหตุห้าประการเหตุห้าประการนั้นอาหัจจะปาเทนะคือบทแห่งบาลีมีอัดจะต้องตามกันนั้นประการหนึ่งรเสนะคืออัดธรสอนุโลมตามบทแห่งบาลีนั้นประการหนึ่งการนุ ต, ตริตายะ มีอัดอันจะจัดออกให้ยิ่งกว่าเหตุนั้นประการหนึ่งอาจรรย์เสวนีนะคือมีอัดจะให้ซ่องเสบอาจารย์ถามอาจารย์นั้นประการหนึ่งอธิ ป, ปายเยนะคือมีอัดไว้อธิบายจะให้ความกระจายออกนั้นประการหนึ่งสิริเป็นอัดมีห้าประการเท่านี้และบาลีที่เป็นนิราวัเสสะนั้นมีอัดสี่ประการ และบาลีที่เป็นสาวะเสสะนั้นก็มีอัดห้าประการเหมือนกันบพิษพึงสันนิฐานเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีก็มีพระราชาองค์การตรัสสรรเสริญว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอายังปันโโหปัญหานี้สุวินิชโตอันพระผู้เป็นเจ้าพิภากษาเป็นอันดี ตาถาสัมปติชามิโยมจะรับเอาถ้อยคำจำไว้โดยในที่วิสัชนามานี้ประการหนึ่งเล่ายกเสียแต่พระอรหันต์เจ้าทั้งปวงนอกกว่านั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปเกิดในนรกนั้นทนทุกขเวทนาลำบากหนักหนากักขราร้ายกาดหยาบช้ากล้าแข็งกัตุ ก, กา ร้อนแรงดิ้นรนกระวนกระวายสุดที่จะกลั้นจะทนพ้นประมาณชะลิตามีเปลวเพลิงลุกเผาผลาญประหารอยู่ทั้งตัวก็มีกายหวาดวันสันรา ร, รววทั่วอินทรีย์สพังคะปัจจังขามีอวัยวะน้อยใหญ่รัม์รสายไปด้วยความเวทนาการุญยะกันดิตะบริเทวิตะลาลับปิตะมุขามีปากและหน้า อันฟูมฟองนองไปด้วยอัดสุชนบนเพอพิลาบรำให้ตั้งใจเสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างเดียวจะเหลียวให้ใครช่วยก็ช่วยไม่ได้อสระณะภูตาหาที่พึ่งที่อาศัยบ่ไม่ได้มีแต่ประกอบไปด้วยความโศกจะนับไม่ได้เสียงร้องให้ร้องครางนี้อื้ออึงขนึงไปหน้าพิลึกพึงกลัว ตัวนั้นก็สั่นอยู่รัวๆควรจะกรุณาเสวยแต่ความโศกาอาดูลภูนทเวทอยู่เป็นนิดไม่มีเลยที่จะเว้นวายสบายจิตสักเวลาหาไม่ได้ไม่แต่จะเสวยทุกขเวทนาไปท่าเดียวมิได้ขาดสายตกว่าสัตว์นรกทั้งหลายได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสสากันถึงเพียงนี้ขณะเมื่อจะดับศูนย์สิส้นชีวิตตายจากนรก น่าจะไม่คิดวิตกกลัวตายเสดายชีวิตเลยตายเสดีกว่าจะไม่ได้เสวยทุกข เ, เวทนาต่อไปข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็สัตว์นรกทั้งหลายนั้นยังกลัวตายอยู่ด้วยหรือพระนาคเษนผู้ประกอบด้วยยาณปรีชาจึงรับคำว่าอามะมหาราชะเออนั่นแหละบ่อพิษสัตว์นรกนั้นเมื่อชีวิตจะสิ้นไป ก็กลัวภัยมัจจุราชอยู่นั่นแหละพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองค์การถามว่าพันเตนาคเสนนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตกว่าสัตว์นรกทั้งหลายกลัวความตายนี้ยิ่งนักยังรักที่ว่าจะยอมทนทุกข์อยู่หรือจึงกลัวตายนรกนั้นไม่มีความสบายอยู่ที่ไหนหรือ พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสัตว์นรกจะได้มีสุขสำราญหาไม่ได้มีน้ำใจจะไครพ้นทุกข์เสียโดยเร็วพลันแต่ทว่าอนุภาพแห่งความกลัวตายนั้นมากหนักหนาสัตว์นรกก็รู้แล้วว่าตายไปจะพ้นความลำบากเวทนาแต่ทว่า จำเป็นจำกลัวด้วยอานุภาพความตายดุร้ายนักขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาณนะสัทธหาหมิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้โยมหารู้ที่จะเชื่อไหมธรรมดาว่าสัต์ปรารถนาจะพ้นทุกข์แล้วจะกลัวตายใหญ่เล่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอธิบายชักเทียบเปรียบให้โยมเข้าใจก่อนพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบบิดพระราชสมภารอันความตายนี้เป็นที่ตกใจของสัตว์ทั้งหลายอันมิได้พิจารณาเห็นซึ่งพระอริยสัตว์ทั้งสี่ประการกระนี้ก็เป็นประเวณีมาจะวิสัชนาให้เห็นเหมือนหนึ่งว่าคนทั้งหลายนั้น กันหสับ ป, ปังพายันติกลัวงูเห่ามันจะขบตายก็ได้ชื่อว่ากลัวความตายและคนทั้งหลายที่กลัวช้างร้ายราชสีร้ายเสือร้ายและหมีหมาในวัวควายอันร้ายและภัยทั้งหลายต่างๆคืออาคีภัยราชาภัยโจรภัยอุทกภัยครานุกันตกะภัยคือภัยขวากหนาม และยักษ์ผีเสื้อน้ําก็ดีมีความกลัวตัวสัน่นทั้งนี้ก็ได้ชื่อว่ากลัวตายสิ้นทั้งนั้นมหาราชะดูกระบ่พิษพระราชาสมภารสัตว์ทั้งหลายจะกลัวภัยอย่างอื่นเท่ากลัวตายนี้หามิได้เหตุชนี้จริงว่าความตายประกอบไปด้วยเดชมากมายหนักหนาสังกิเลสาสัตตา สัตว์ทั้งหลายบรรดาที่มีกิเลสตัณหาอยู่นี้ย่อมมีความกลัวกันสิ้นที่ใครจะไม่กลัวตายหาไม่ได้ถึงสัตว์นรกทั้งหลายก็หมายจะพ้นทุกข์อยู่แลแต่ทว่าความตายนี้มีเดชมากจำเป็นจำกลัวตายอยู่มหาราชะดูกะระบ่อพิษพระราชสมภารเปรียปานดุบุรุษผู้หนึ่งคันดีกา เป็นฝีมีพิษเจ็บปวดเวทนาบุรุษผู้นั้นทนทุกข์นักหนาพิงสกังสลลกันตังอามันเตยะจึงให้หาซึ่งหมอมารักษาส่วนว่าหมอนั้นมาดูโรคก็รับรักษาว่าฝีนี้จะต้องผ่าอุปการนังทับไยะจึงเอาอุปกรณ์มาตั้งไว้ตรงหน้าคนไข้นั้นอันว่าอุปกรณ์นั้น คือเครื่องที่จะรักษาผ่าซึ่งฝีนั้นแล้วเขาก็ค้นคว้าหรือออกวางไว้ติกขังสัตถังกระเลยยะรับมีดให้คมปราบขาวว่าบวางไว้เอาแผ่นเหล็กที่สำหรับนาบทิ้งเข้าไฟปีสาไปะยะพึ่งบทยากัดด้วยหินบทเตรียมการเพื่อจะผ่าอปินุขโขมหาราชะนี่แลบพิษพระราชสมภารดังอัตมาขอถาม เมื่อหมอกระทําการอยู่ชะนีบุรุษผู้เป็นฝีนั้นจะกลัวจะคล้ามบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสรับคำว่าอามะพันเตเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาคนโรคนั้นเมื่อหมอเตรียมการจะผ่าเช่นนั้นคงจะตกประมาลท่านกลัวตัวสันสีนะพระผู้เป็นเจ้า ที่จะไม่กลัวหาไม่ได้พระนาคเษนจึงเปรียบให้เห็นว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอบพิษพระราชสมภารคนซึ่งเป็นฝีนั้นเจ็บปวดเหลือประมาณใจคิดจะให้โรคหายจากตัวแต่ว่ามีความกลัวเมื่อหมอจะนาบจะพาใสยากัดฉันใดก็ดีสัตว์นรกทั้งหลายนี้ ก็มีจิตที่ว่าจะพ้นทุกข์เป็นกำลังแต่ว่ายังกลัวอยู่ก็เหมือนบุรุษที่เป็นฝีฉะนั้นอันหนึ่งเล่าขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานประดุดดังบุรุษผู้หนึ่งอิสระปราทิโกมีความผิดต่อท่านผู้เป็นอิสราธิ บ, บดีท่านให้ลงโทษจำจองไว้ในห้องเรือนจำได้ความลาบากเวทนาภายหลังท่านผู้เป็นอิสราธิ บ, บดี มีใจปราณีเมตตาจะถอดออกให้พ้นโทษจึงมีรับสั่งให้ถอดเอาบุรุษผู้นั้นเข้าไปบุรุษต้องโทษนั้นไม่รู้น้ำใจท่านผู้เป็นใหญ่ว่าจะกระทำร้ายและกระทำดีบุรุษคนโทษครั้นเห็นท่านผู้ใหญ่ก็ตกใจกลัวนักหนาจะเป็นอย่างนี้หรือหาไม่ได้ปอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสว่า อามะพันเตเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษคนโทษนั้นไม่รู้จักว่าร้ายและดีกลัวท่านจะเอาตัวมาเคี่ยนตีก็มีน้ำใจสะดุ้งวันพรั่นพึงนักหนาพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่านี่แหละบอพิษพระราชสมภารคนที่เป็นโทษนั้นกลัวท่านผู้เป็นอิสราธิบดีอันเป็นผู้จะปล่อยให้พ้นทุกข์ฉันใดก็ดี สัตว์นรกทั้งหลายนี้มีใจขวนขวายใคราจะพ้นทุกข์ลำบากเวทนาอยู่แลแต่ทว่ายังกลัวความตายอยู่ถึงว่าตายไปนี้จะพ้นทุกก็ยังสะดุ้งกลัวต่อความตายเปรียบดุลบุรุษชายเป็นโทษกลับกลัวท่านผู้จะโปรดนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามีพระราชองค์การตรัสว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวเหตุอันอื่นให้ยิ่งกว่านี้ไปให้โยมสิ้นสงสัยในการบัดนี้พระนาคเษนมีเทระวาจาว่ามหาราชดูกระบบพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดบุรุษผู้หนึ่งอันอสรพิษขบเข้าบุรุษผู้นั้นง่วงเหงาเมามัวทอดตัวไปด้วยกำลังพิษอันร้ายยิ่ง ยังมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นหมองูรู้วิชาไร่มนมาเรียกเอาตัวงูนั้นให้กลับมาสู่สำนักคนเจ็บด้วยฤทธิมนต์แล้วให้งูนั้นดูดเอาพิษร้ายออกจากกายคนไข้ฝ่ายบุรุษชายคนเจ็บนั้นเมื่ออสอรพิษดูดพิษร้ายเพื่อจะให้หายเขายังจะกลับกลัวงูอีกหรือไม่พระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราเทวดีมีพระราชองค์การตรัสว่า อามะพันเตเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษที่อสรพิษขบนั้นครั้นเห็นงูดูดพิษก็จําจะมีจิตสะดุ้งกลัวอยู่พระนักาาเสนมีเทระวาจาว่าดูกระเบอพิษพระราชสมภารบุรุษนั้นเมื่องูจะดูดพิษร้ายออกจากกายเพื่อจะให้สําราญเป็นสุขสมบัติดีทีเดียวอย่างว่ามีจิตสะดุ้งตกใจกลัวฉันใดก็ดี สัตว์นรกปรารถนาจะตายไปให้พ้นทุกข์ครันว่าจะตายเล่าก็กลัวความตายเหมือนบุรุษชายที่กลัวงูอันดูดพิษฉนั้นมหาราชขอถวายพระพรบอพิษผู้เป็นใหญ่ในสมบัติมหาสวรรค์อนิถังอาการตังมะระหนังชื่อว่าความตายจะได้เป็นที่รักที่ยินดีแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหาไม่ได้ตัดสมา เหตุดังนั้นสัตว์อันทนทุกข์อยู่ในนรกนั้นมัจจุโนพายันติจึงกลัวความตายขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรก็ตรสัสสรรเสริญว่าสาธุดังข้าพเจ้าซ่องสาธุการสัมปติฉามิโยมจะรับจำเอาถ้อยคําของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในการบัดนี้ สตางมัจจุ โ, โนภายนะนปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้